นิ พ, น, พน์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกตามอธิบายในอัจฉริานั้นมันนะอันเป็นอายตนะที่หหรือเป็นทวาลที่ห ต้องประกอบด้วยอายตนะห้าข้างต้นเสมอจึงจะเกิดวิญ ญ, ญาณตามสายได้แก่เมื่อจักสุตาและรูปมากระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดจักขุวิญญาณความรู้สึกเห็นรูปทางตาโสตหูสัททะเสียงกระทบกันจะต้องกระทบกับมณะด้วยจึงเกิดโสตวิญญาณ ความรู้สึกได้ยินเสียงทางหูฐานะจมูกคันทะกลิ่นกระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดฐานะวิญญาณความรู้สึกเป็นกลิ่นทางจมูกชิวหาลิ้นรสรสกระทบกันต้องกระทบถึงมณะด้วยจึงจะเกิดชิวหาวิญญาณความรู้สึกรู้รสทานลิ้นกายะกายโพธพะ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 พันศาที่สองสามสี่พระเวรุวันกรุงราชพฤก์มคตรพระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงอบรมปูราราชดินจนได้อุปสมบทและได้ฟังธรรมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีศานนั้นตามพระพุทธอัคยาใสายแล้วก็ได้ทรงนมภิกษุทั้งหมดนั้น เสด็จไปสู่กรุงราชพฤก์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมครธรัฐมคขธรัฐปรากฏตามหลักฐานต่างๆว่าในเวลานั้นเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองมีอำนาจมากเมืองหลวงเรียกกันโดยมากว่าราชกหะแต่ในภาษาไทยเรียกว่าราชพฤก์ในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพิมพิสาร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 เขาคิดจกูเขาวเวพาระเขาวเวปุลละเขาอิสิกิลิและเขากาลกูล้อมรอบคล้ายเป็นคอกเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าคิลิพภชะแปลว่าคอกเขาเมืองหลวงเดิมว่าตั้งอยู่บนเนินเขาแต่ว่าถูกไฟไหม้บ่อยๆพระเจ้าพิมพิสารจึงย้ายลงมาตั้งที่เชิงเขาข้างล่างซึ่งเป็นที่ราก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 หรือไม่อุปถมัมภ์ก็ไม่ทรงเบียดเบียนพร้อยให้มีความสะดวกในการที่จะแสดงนักที่ของตนในสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงได้แหวนการสิทธามเป็นของขวัญจากแหวนโกศลในคราวทรงอภิเสกกับพระราชกนิฐ h a พคินีของพระเจ้าประเสณทธิแห่งแหวนโกศลดังที่ได้เล่าแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จมุ่งไปสู่กรุงราชคฤิสก่อนอย่างหนึ่งว่า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 ก่อนที่จะเสด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นสถานที่ทรงทำความเพียรจนประสรู้ก็ได้ทรงผ่านกรุงราชคฤึกและประทับอยู่ที่เขาปันทวะพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบ ก, ก็ได้เสด็จไปเพื่อส่งพบและตามเรื่องเล่าว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสถามถึงเหตุที่ทรงออกผนวดเมื่อได้ทรงตอบแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้รับสั่งชวนให้ทรงลาผนวด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 เมื่อเสด็จเข้าสู่กรุงราชคฤึกนั้นไม่ได้เสด็จเข้าไปทีเดียวได้ประทับพักที่ลัทธิวันอันแปลว่าสวนตาหนุม่มน่าจะเป็นสถานที่สำหรับปลูกเพราะต้นตาลพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบกิติศัพด์คือเสียงที่พูดเล่าลือกันว่าพระสมณโคดมผู้ศักยญาบุตรออกพนธจากศักยติกูลได้เสด็จมายัางกรุงราชคฤกเวลานี้ ได้พักอยู่ที่รัตทิวันสวนตาหนุ่มคิดิสักคือเสียงที่พูดกันระบือถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้ฟุ้งกระจาไปว่าพระองค์เป็นพระอรหันตะสา ม, มาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไพเราะในเมื้องต้นท่ามกรานที่สุดประกาศพรหมจันร์ศาสนาพร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ทั้งหมดฉะนั้น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 นั้นได้แสดงกิริยาต่างๆกันบางพวกก็ถวายอภิวาทบางพวกก็กราววาจาปราศัยชื่นชมยินดีบางพวกก็เพียงขนมมือไปทางพระพุทธเจ้าบางพวกก็ร้องประกาศชื่อโคตของตนบางพวกก็เพียงเฉยๆอยู่ทั้งหมดก็นั่งดูตามที่อันควรแก่ตนท่านแสดงว่าบริษัทเหล่านั้นโดยมากสงสัยว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักของท่านอุรุเวนกัสปะหรือว่าท่านอุรุเวนกัสปะนั้นประพฤติพรหมจันทร์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของบริษัทที่ยังมีความเครื่อแคลงอยู่ดังกล่าวก็ได้ตรัสถามท่านอุรุเวนกัสปะขึ้นโดยความว่าท่านได้เห็นอะไรจึงได้รัะทิ้งลัทธิบูชายันเดิมของตนเสีย ท่านอรุเวกส ป, ปะก็กราบทูลว่าลัทธิบูชายัญ น, นั้นสารเสริญกรามคือสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสและสารเสรืนญสตรีท่านได้รู้ว่านั่งเป็นมนทินจึงไม่ยินดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านยินดีอะไรท่านอรุเวกส ป, ปะก็กราบทูลว่าท่านเห็นธรรมที่สงบไม่มีกิเลส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 อย่างมานิมนพระนิมนแล้วถ้าพระนิ่งหมายความว่ารับบางทีถ้าไม่ทราบธรรมเนียมนี้ก็มากจะต้องถามต่อไปอีกให้ตอบอย่างใดอย่างหนึ่งรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกก็รัศดรเข้าประเสวยและฉันพัฒหารในพระราชนิเวศเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ทรงมีพระราชดำริว่าจะควรถวายที่ที่ไหนให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสาวก ได้ทรงเห็นว่าที่อันควรจะเป็นที่ประทับนั้น 1. คุณจะเป็นที่ไม่ไกลหรือไม่ใกล้นักจากบ้าน 2. ควรจะเป็นที่มีทางสัญจรไปมาบริบูรณ์สะดวกแก่ผู้ที่ต้องการจะไปมาได้ 3. กลางวันไม่เป็นที่พุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนก็มีความสงัดไม่มีเสียงอื้ออึงประสัดจากลมที่เกิดจากผู้คนเดินไปมาพุกพล่านส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 สกุลมหาสังฆปรินายกได้ในตอนต่อไป